อันสัตว์อันลูกสอนคือราคาปักติดแล้วคือแทงเข้าไปถูกต้องติดเสียบแน่นคาอยู่แล้วย่อมเล่นเล่นพลัานวนเวียนท่องเที่ยวไปอย่างนี้เนลูกสอนคือราคาปักเนี่ยนะโอยทุกเดือดร้อนกันถ้าหากว่าออกบ้านปั๊บเนี่ยนะรถคันไหนบ้างทีไไ่ไม่ไม่ไม่ถูกลูกสอนคือราคาปักพาไปอ่ะนัะน่นนก็ลูกศอคือราคานั่นแหละปักไป สัตว์อันลูกซ้คือโทสะลูกศรคือโมหะลูกศ้อนคือมานะปักติดคือแทงเข้าไปถูกต้องติดเสียบแน่นคาอยู่แล้วก็ประพฤติทุจริตด้วยกายประพฤติทุจริตด้วยวาจาประพฤติทุจริตด้วยใจข่าสัตว์ลักทรัพย์ตัดที่ต่อปล้นโดยไม่เหลือปล้นเฉพาะเรือนหลังเดียวดักแย่งชิงที่ทางเปลี่ยวครบชูพัญญาบุรุษอื่นพูดเท็จเพราะนั่นสัตว์ที่ถูกลูกศ้อนคือ โทสะลูกสอนคือโมหะลูกสอนคือมานะปักนี่นะแทงติดเข้าไปถูกต้องติดเสียบแน่นคาอยู่แล้วก็ย่อมเล่นเล่ น, ลนพล่านวนเวียนท่องเที่ยวไปอย่างนี้นี่นะโทสะปักก็ทําให้ทําความชั่วทางกายวาจาและใจเนี่นะโมหะปักก็ทําให้ทําความชั่วทางกายวาจาใจมานะมันปักแทงอยู่ก็ทําให้ทําความชั่วทางกายวาจาใจ มาดูลูกศรคือทิฐิปักเนี่ยนะว่าสัตว์อันถูกอันลูกศรคือทิฐิปักติดแล้วคือแทงเข้าไปถูกต้องติดเสียบแน่นคาอยู่แล้วย่อมเป็นคนเปลื่อยกายไร้มาญาติเลียมือเนี่ยนะพวกละทิเดียละีเนี่ยนะซึ่งตอนนี้ที่อินเดียก็ยังมีอยู่เป็นคนไร้มาญาติเลียมือเข้าเชิญให้มารับพิษาก็ไม่มาเข้าเชิญให้หยุดก็ไม่หยุดนะเพราะแรงทิฐิเนี่ยนะเป็นต้นเหตุเนะี่ย ไม่รับพิกษาที่เขาแบ่งไว้ก่อนไม่รับพิกษาที่เขาทําเฉพาะไม่รับภิกษาที่เขาเชื้อเชิญไม่รับพิกษาปากหม้อไม่รับพิกษาจากหม้อเข้าไม่รับพิกษาที่บุคคลยืนคร่อมธรณีประตูนํามาไม่รับภิกษาที่บุคคลยืนคร่อมท่อนไม้นํามาไม่รับพิกษาที่บุคคลยืนคร่อมสากนํามาไม่รับภิกษาของคนสองคนที่กําลังบริโภคอยู่ไม่รับพิกษาของหญิงมีคัน ไม่รับภิกษาของหญิงที่กำลังให้ลูกดูดนมไม่รับภิกษาของหญิงที่คลอเคลียบุรุษไม่รับภิกษาที่นัดแนะกันทำไว้ไม่รับภิกษาในที่ซึ่งสุนัขได้รับเลี้ยงดูไม่รับภิกษาในที่มีแมลงวันไต่ตอมเป็นกลุ่มไม่กินปลาไม่กินเนื้อไม่ดื่มสุราไม่ดื่มเมรไรไม่ดื่มยาดอง เ้ารับพิษาที่เรือนหลังเดียวก็เยียวยาอัตภาพด้วยข้าวคําเดียวบ้างน ะ, น ะ, นะรับสองหลังก็สองคำกินสองคำถ้ารับสามหลังก็กินสามคำรับสี่หลังกินสี่คำรับห้าหลังก็กินห้าละห้าคำรับหกหลังก็กิน6กคำเนี่ยหรือว่ารับที่เรือนเจหลังก็บริโภค7คํา เยียวยาอัตภาพด้วยพิษาในถาดน้อยใบเดียวบ้างสองใบสามใบสี่ใบนะเล็กๆเหมือนกระถงเล็กน ๆ, ๆนะหรือว่าบางทีก็ใบเดียวเนี่ยนะคือบางทีก็เว้นหนึ่งวันสองวันสามวันสี่วันห้าวันหกวันเจ็ดวันเนี่ย <c oughs> เป็นผู้ประกอบความขวนขวายในการบริโภคอาหารที่เวียนมาตั้งกึ่งเดือนเช่นนี้บ้าง <c oughs> สัตว์อันลูกศรคือทิฐิ ตักติดแล้วแทงเข้าไปถูกต้องติดเสียบแน่นขาอยู่ย่อมเล่นไปพล่านวนเวียนถูกต้องติดเสียบแน่นขาอยู่แล้วเป็นผู้มีผักดองเป็นผักษาบ้างวันนี้จะกินแต่ผักดองอย่างเดียวก็มีมีข้าวฟ่างเป็นผักษาบ้างมีลูกเดือยเป็นผักษาบ้้งมีกากข้าวเป็นผักษาบ้างมีสาหรายเป็นผักษาบ้าง มีข้าวตังเป็นผักษาบ้างมีกรญญาเป็นผักษาบ้างมีหญ้าเป็นผักษาบ้างมีโคไมคือขี้วัวเนี่ยเป็นผักษาบ้างมีเง้าและผลไม้ในป่าเป็นผักษาบ้างบริโภคผลไม้หลดเยียวยาอัตภาพเนีย่ยนะเกี่ยวกับเครื่องอาหารก็ไปหาอาหารที่มันคนทั่วๆไปเขาไม่กินกันเนีย่ยนะให้มันทุกข์ทรมานเพราะเขาคิดว่าการบริโภคอาหารอย่างเนี้ยเป็นการล้างบาปเป็นการบําเพ็ญตบะของเขา บางทีก็นุ่งห่มผ้าป่านบ้างผ้าแกมกันบ้างผ้าห่อศพผ้าเปลือกไม้ผ้าหนังเสือผ้าบางสกุลหนังเสือทั้งเล็บผ้าคากรองผ้าเปลือกปอกรองผ้าผลไม้กรองผ้ากำพลทำด้วยผมคนเนี่ยเอาผมคนเนี่ยมาที่เขาตัดตัดมาถักเป็นผ้าบอกว่าในบรรดาผ้าทุกชนิดเนี่ยผ้าที่ทำด้วยผมคนเนี่ยยาบที่สุด เป็นหน้าหนาวก็นาวสุดๆหน้าร้อนก็ร้อนจริงๆว่างั้นไอ้ผ้าผมคนเนี่ยแต่ก็มีผู้ที่ใช้อยู่นะใช้ด้วยอำนาจทิฏฐินั่นแหละเป็นปัจจัยให้ใช้หรือบางทีก็เอาขนปีกนกเขาเนี่ยมาทำเป็นเครื่องนุ่งหม่มบางทีก็ประเพสวัดเพิ่มพิเศษเช่นถอนผมและหนวดคือประกอบขวนขวายในการถอนผมและหนวดนเนี่ยก็ถอนผมถอนนวดอยู่นั่นแหละ บางทีก็เป็นผู้ยืนคือห้ามการนั่งบ้างเป็นผู้กระโยงประกอบความเพียรในการกระโยงนอนบนน้ําสําเร็จการนอนบนน้ํานอนบนแผ่นกระดานนอนตะแคงข้างเดียวอย่างเดียวเป็นผู้หมักหมมด้วยธุลีเป็นผู้อยู่กลางแง้งเป็นผู้นั่งบนอาสนะตามที่ลาดไว้บ้างเป็นผู้บริโภคคูดเนี่ยนะประกอบการขวนขวายในการาบริโภคคูดเป็นผู้ห้ามน้นําเย็นเนี่ยนะขวนขวายห้ามน้นําเย็นคือกินแต่น้ําร้อนเนี่ย เป็นผู้อาบน้ําวันละสามครั้งประกอบการขวนขวายด้วยการอาบน้ําวันละสามครั้งนะเป็นผู้ประกอบความขวนขวายในกายาทําให้กายเนี่ยเดือดร้อนเร่าร้อนล้าอย่างเช่นนี้สัตว์อันลูกศรคือที่ถิปักแล้วคือแทงเข้าไปถูกต้องติดแน่นคาอยู่แล้วเล่นไปเล่นพลานวนเวียนท่องเที่ยวไปแม่อย่างนี้อันลูกศรคือที่ถิเนี่ยนะปักอยู่ทําให้เขาทุกขทรมานเดือดร้อนเร่าร้อนอยู่นั่นแหละ นะถ้าประเทศไทยก็อาจจะมีบ้างลับที่ต่างๆก็พอมีอยู่บ้างแต่ก็ไม่มากเท่าของแขกเนี่ยนะที่อินเดียเนี่ยมีมากเหลือเกินถูกลูกสอนคือทิฐิมันปักเขาก็เดือดร้อนเราร้อนเพราะทิฐิเนี่ยแหละสัตว์อันลูกสอนคือความโศกปักติดแล้วคือแทงเข้าแล้วถูกต้องติดแน่นคาอยู่แล้วย่อมเศร้าโศกลำบากใจราพันทุบอกคร่ําครวนถึงความหลงไหล สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์เรื่องเคยมีมาแลว้วในพระนครสาวัตถีนี่แหละหญิงคนหนึ่งมานดาตายพอแม่ตายก็หญิงนั้นก็เป็นบ้ามีจิตฟุ้งซ่านเพราะมานดาตายจากถนนนี้เข้าไปยังถนนนู้น ون. จากตรอกนี้เข้าไปยังตรอกน้น ون. ก็พูดอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายเห็นมานดาของฉันบ้างไหมท่านทั้งหลายเห็นมารดาฉันบ้างไหมดุ ก็ร้องไห้หาแม่ที่ตายไปแล้วเนี่ยนะเที่ยวส่อหาจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งดูก่อนพราหมณ์เรื่องเคยมีมาแล้วในพระนครสาวถีนี่แหละหญิงคนหนึ่งบิดาตายก็เหมือนกันเนี่ยนะร้องไห้หาพ่ออยู่นั่นแหละหรือบางคนก็พี่ชายน้องชายตายก็เหมือนกันพี่หญิงน้องหญิงตายบุตรตายที่ดาตายสามีตาย หรือพริยาตายเนี่ยนะว่าพวกสามีตายก็หญิงคนนั้นก็เป็นบ้ามีจิตฟุ้งซ่านเพราะสามีตายจากถ น, นนนี้เข้าไปยังถนนโน้น ون, จากตรอกนี้ไปยังตรอกโน้น ون, พูดอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายเห็นสามีฉันบ้างไหมท่านทั้งหลายเห็นสามีฉันบ้างไหมเนี่ยนะสมัยก่อนมันจะมีลักษณะนี้ครับดีว่าสมัยนี้ลักษณะนี้ก็มีแต่ว่ามันมียูกมียามีโรงพยาบาลอนรับรักษาประเภทนี้ แต่จริงๆประเภทอย่างนี้ก็ยังมีอยู่เนี่ยนะพวกที่ลูกสอนคือความเศร้าโศกเนี่ยปักเพราะวิปโยคพลาดพลากจากบุคคลอันเป็นที่รักเนี่ยนะดูก่อนพราหมณ์เรื่องเคยมีมาแล้วในพระนครสาวถีนี่แหละบุรุษคนหนึ่งเนี่ยมารดาตายบุรุษนั้นก็เป็นบ้ามีจิตฟุ้งซ่านเพราะมารดาตายจากถนนนี้เข้าไปยังถนนโน้นจากตรอกนี้ไปยังตรอกโน้น แล้วก็พูดว่าท่านทั้งหลายเห็นมารดาของฉันบ้างไหมท่านทั้งหลายเห็นมารดาของฉันบ้างไหมผู้ชายบางคนก็เหมือนกันนะว่าบิดาตายก็เหมือนกันน้องชายพี่หญิงน้องหญิงบุตรตายที่ดาตายภรรยาตายบุุษนั้นก็เป็นบ้าเป็นบ้าเพราะเมียตายเนี่ยนะมีจิตฟุ้งซ่านเพราะภรรยาตายจากถนนนี้ไปยังถนนนู้นจากตรอกนี้ไปยังตรอดน้นพูดอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลาย เห็นภรยาฉันบ้างไหมท่านทั้งหลายเห็นธัญญาฉันบ้างไหมนี่ยแหละเมียตายก็เป็นบ้าเลยนะแสดงว่ารักกันมากผูกพันกันมากเนี่แหละบางทีก็ตายตามกันเลยก็มีดูก่อนพราหมณ์เรื่องเคยมีมาแลว้วในพระละครสาวถีนี่แหละหญิงคนหนึ่งไปสู่สกุลแห่งญาติพวกญาติของหญิงนั้นตราถนาจะพรากสามีเสียแล้วยกหญิงนั้นให้แก่บุรุษอื่นหญิงนั้นไม่พอใจบุรุษอื่นนั้น ครั้งนั้นแหลยิงนั่นแหละก็ได้บอกกับสา ม, มีว่าค่าแต่ท่านลูกจเจ้าญาติเหล่านี้ประสงค์จะพากท่านแล้วก็ยกชั้นให้บุรุษอื่นเราทั้งสองจกพากันตายถ้าเราจะต้องจากกันก็อย่าอยู่เลยว่างั้นนะควรจะตายด้วยกันทันใดนั้นบุรุษนั้นก็ฟันยิงนั้นขาดสองท่อนแล้วก็ฆ่าตนเองพร้อมด้วยหวังว่าเราทั้งสองเนี่ยจะพบกันในโลกหน้า นะหวังนะหลายคู่เนี่ยนะถูกลูกสอนคือความโศกเนี่ยปักด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งก็ถึงกับฆ่าตัวตายนะฆ่าตัวตายตามกันโดดสะพานตายอ่โดดสะพ า, า, านเนี่ยนะโดดน้ำตายบ้างตกอโดดเขาตายบ้างเป็นต้นเนี่ยนะเมื่อไม่นานก็ครอบครัวหนึ่งนะทั้งครอบครัวเป็นเอททั้งสามคน สามีก็เป็นภรรยาก็เป็นลูกก็เป็นก็มัดตัวกันติดกันแล้วก็โดดน้ำดํำทั้งตายทั้งสามนั่นแหละอันอย่างสมัยนี้เนี่ยนะเห็นใครฆ่าตัวตายเนี่ยถ้าเป็นทางอแพทแพ ท, แพทเนี่ยนะนิติเวศเนี่ยพวกนี้จะค่อนข้างระวังหน่อยเพราะว่าคนไข้เนี่ยหรือศพที่ตายเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นโรคเนี่ยนะโรคเอชเป็นต้นเนี่ยนะ หลันจากการเป็นโรคเอดเนี่ยทำให้คนค่าตัวตายมากไงเยทันก็เศร้าโศกเพราะโรคภายไข้เจ็บใช่ไหมหรือบางคนก็เศร้าโศกเพราะอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะก็ถึงกับฆ่าตัวตายเพราะฉะ น, นั้นสัตว์ที่ถูกลูกสอนคือความโศกแทงแล้วเนี่ยนะปักติดถูกต้องติดเสียบแน่นคาอยู่แล้วก็เล่นพลานวนเวียนท่องเที่ยวไปอย่างนี้จากที่หนึ่งสู่ที่หนึ่งจากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่งเนี่ยนะ เดือดร้อนเร่าร้อนด้วยอานาจของความเศร้าโศกสัตว์อันลูกศอนคือความสงสัยเนี่ยปักติดแล้วคือแทงเข้าไปถูกต้องติดเสียบแน่นคาอยู่แล้วเป็นผู้เล่นไปสู่ความสงสัยเนี่ยนะถึงความเครือบแคลงสงสยัยพวกที่ถูกความสงสัยเนี่ยนะปักเสียบแทงก็สงสัยว่าอดีตการเราได้เป็นแล้วหรือนาเนี่ยนะเอเราเนี่ยมีหรือไม่มีในะอดีต เราเนี่ยได้เป็นอะไรแล้วนาะเป็นกษัตริย์พรามแพทย์สูตรเราได้เป็นอย่างไรนาะเนี่ยคือเป็นอย่างไรเนี่ยเป็นคนรูปร่างอย่างไงนะผิวขาวผิวดำเป็นต้นเนี่ยหรือเราได้เป็นอะไรแล้วจึงมาเป็นอะไรต่อนาะหวังๆก็นั่งคิดเรื่องอดีตชาติเนี่ยนะเป็นอะไรจากอะไรไปยังไงมายังไงเนี่ยแหละก็นั่งสงสัยไปงั้นแหะหรือว่าในอนาคตตการเราจะเป็นหรือนาะหรือว่าเราจะไม่เป็นนี่ตามจะเกิดอีกรึมันไม่เกิดกันแน่เนี่ย หรือว่าถ้าเราเป็นแล้วจะเป็นอะไรแล้วถ้าเป็นอะไรมันเป็นอย่างไรถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยจะเป็นมนุษย์รูปร่างผิวพันรรณยังไงเนาะหรือเราจากเป็นอะไรแล้วเป็นอะไรต่อไปอีกเนาะตายจากชาติหน้าตายไปเรื่อยอย่างเงี้นจะไปเป็นอะไรต่อไปอีกเนาะก็นั่งสงสัยไปบางทีก็สงสัยในปัจจุบันเนี่ยนะสงสัยอยู่ว่าเราเนี่ยเป็นหรือนาะหรือว่าเราไม่เป็นเราเป็นอะไรหรือเนาะหรือเราเป็นอย่างไร เราเนี่ยเป็นสัตว์มาจากไหนนาะเนี่ยนะเราจะไปเกิดที่ไหนนาะเนี่ยนะสงสัยในเรื่องชีวิตของตัวเองเนี่ยนะสงสัยชีวิตในอดีตชาติบ้างสงสัยชีวิตในอนาคตชาติบ้างสงสัยในชีวิตในปัจจุบันชาติบ้างสงสัยในชีวิตขณะนี้บ้างเนี่ยนะมันถูกโลกสอนคือความสงสัยเนี่ยแทงเข้าไปถูกต้องติดเสียบแน่นคาอยู่แล้วก็เล่นไปแล่นพล่านวนเวียนท่องเที่ยวไปอย่างนี้ สัตมนั้นย่อมปรุงแต่งให้ลูกศรเหล่านั้นเกิดเล่นไปสู่ทิศตะวันออกเล่นไปสู่ทิศตะวันตกเล่นไปสู่ทิศเหนือเล่นไปสู่ทิศใต้ด้วยควสามารถการปรุงแต่งให้ลูกแสลูกศรเกิดคือตอนแรกว่าไอ้ลูกศรทั้ง7ประการเนี่ยนะทำให้ทําความชั่วทางกายวาจาและใจในขณะเดียวกันลูกศรทลางเนี่ยแทงก็ทําให้เล่นไปสู่ทิศต่างๆ เล่นไปสู่ทิศเหนือทิศใต้ทิศ ต, ตะวันออกทิศ ต, ตะวันตกเนี่ยนะไปเรื่อยทีนี้สัตว์ผู้ที่ถูกลูกศร อ, อย่างนี้ก็ปรุงแต่ ง, งคือทํากรรม嘛นะทำกรร ม, ะนะรรมด้วยสามารถแห่งการปรุงแต่งให้ลูกศรเกิดสัตว์เป็นผู้ละอภิสังขารคือลูกศอนเหล่านั้นไม่ได้คือละบุญละบาปไม่ได้อย่างนี้ น, นนะเพราะเป็นผู้ละอภิสังขารคือกรรมไม่ได้จึงเล่นไปในคติเนี่ยนะ คือตัวกิเลสเนี่ยโลกศ้อนเนี่ยปักในใจทําให้ทําชั่วทางกายวาจาใจขณะเดียวกันก็ไปทิศเหนือทิศใต้เนี่ยนะไปเรื่อย เ, เนี่ยนะพอไปอย่างนั้นก็เนื้อตัวเองยังละกรรมไม่ได้ก็แล่นไปสู่นรกบ้างแล่นไปสู่กําเนิดสัตว์เดรัจฉานเนี่ยนะมาร้องเป็นตุกแกร้องอยู่แถวนี้แหละเป็นจักจั่นไร้รริ่งรีดร้องระงมไพร่ยอยู่นี่แหละหรือบางทีก็แล่นไปสู่เปรตวิสัยหรือแล่นมาเป็นมนุษย์เนี่ยนะ เนี่ยพวกเราทั้งหลายก็ละกรรมไม่ได้นะจึงมาเกิดเป็นมนุษย์อย่างนี้นะหรือว่าเล่นไปในเทวโลก